ตอนโทษของปลาสะว่าเรื่องของปลาสาต่อไปโทษของปลาสะไม่เห็นจะต้องจรไนให้ยืดยาวเพราะคนประเภทนี้เราก็ดูไม่ค่อยสนิทในตาอยู่แล้วแต่มันก็แปลกเนื่องจากว่าปลาสะนี้เป็นกิเลสเกิดจากตระกูลโมหะ คือมีความโง่เขลามืดมนเป็นต้นเดิมอยู่ในใจกิเลสพวกนี้เกาะใจใครเข้าแล้วนอกจากจะทำให้ผู้นั้นทำผิดไปตามฤทธิ์ของมันยังทำให้ตัวเขาผู้นั้นเกิดความเห็นผิดเป็นชอบควบกันไปด้วยตัวเป็นฝ่ายเสียกลับคิดว่าเป็นฝ่ายได้อย่างคนที่บำเพ็ญตัวแบบประลาสานี้ในใจก็คิดกระยิบว่า ที่ตนได้แอแข่งกับผู้ใหญ่นั้นทําให้ตัวได้หน้าได้ตาแต่ความจริงแล้วการกระทําเช่นนั้นมีแต่ทาให้ตัวเขาสุดลงเสียด้วยซ้ําโทษของปราลาศัก์ข้าพเจ้าขอย่อนย่อลงมาดูกันง่ายๆว่าปราลาศั์มีแต่ทาให้เสียเสียดีและเสียหมู่ที่ว่าเสียดีคือความดีในตัวเราเองเสียไป เช่นความเคารพความอ่อนน้อมความถ่อมตัวความเชื่อฟังและคุณธรรมอื่นๆเมื่อมีประลาศะในใจแล้วคุณธรรมเหล่านี้ก็สูญเสียไปเรียกว่าเสียดีถ้าจะถามว่าเสียดีเหล่านี้จะต้องเสียทําไมไม่ห่วงไม่ได้เสียเท่านี้จริงแต่มันไม่เสียเพียงแค่นี้ คุณธรรมประเภทความอ่อนน้อมถ่อมตัวนี้มีประโยชน์ในทางไขเอาความรู้ความดีจากคนอื่นเข้าหาตัวถ้าเราอยากไขน้ำเข้านาเราเราจะต้องทำลำรางให้ต่ำมาทางนาเราเสมอน้ำจึงจะไหลามาถ้ายกลำรางทางเราให้สูงกว่าทางต้นน้ำเสียแล้วน้ำที่ไหนจะไหลามาหา เราอยากได้ความรู้ความดีจากท่านผู้ใหญ่ก็เหมือนกันต้องถ่อมตัวเราลงสิ่งที่ต้องการจึงจะหลั่งไหลามาสู่ตัวเราได้เหมือนเรากดปลายรางให้ต่ําเพื่อเอาน้ําเข้านานนั่นเองคนที่ยกตัวเทียมท่านหรือตีเสมอเสียแล้วจะเสียความดีความงามหลายชั้นข้าพเจ้ามีข้อสังเกตเป็นคติเตือนใจตัวเองอยู่อย่างหนึ่ง ทีแรกก็ว่าจะไม่เขียนไว้ที่นี้เพราะคํามันต่ำไปสักหน่อยแต่ก็ไม่ใช่คําหยาบเลยตัดสินใจว่าเขียนดีกว่าไม่เขียนคือตัวของสัตว์ในโลกนี้มีอยู่สองชนิดคือชนิดตัวมีที่ต่ำที่สูงกับชนิดตัวราบเสมอกันหมดไม่มีที่ต่ำที่สูงที่ว่านี้ให้ดูจุดสำคัญสามจุด คือปากท้องก้นหรือจะพูดว่าที่กินที่อิ่มที่ขี้ก็ได้สัตว์ชนิดใดที่ทั้งสามนี้มีระดับสูงต่ำกว่ากันอย่างเช่นคนปากอยู่สูงท้องอยู่กลางก้อนอยู่ล่างเป็นสัตว์ฉลาดมีสติปัญญาเจริญแต่ถ้าสัตว์ชนิดใดที่กินที่อิ่มที่ขี้ราบเสมอกันหมด สัตชนิดนั้นมักจะโง่เ ง, ง่าดักดานคนเราก็เหมือนกันใครเป็นคนมีสัมมาคราวะรู้จักที่ต่ำที่สูงคนนั้นจะเจริญแต่ใครอวดดีมีปราสะตีเสมอดักไปหมดผลที่สุดก็ดักดานนี่ว่าเฉพาะเรื่องเสียดีเรื่องเสียหมู่ก็เห็นง่ายเหมือนกันคนปราศะ ชอบตีเสมอผู้หลักผู้ใหญ่ไปรวมอยู่ในสังคมใดก็ทําให้สังคมนั้นเสียตามธรรมดาเจดีวิหารที่จะมีสง่ราศีเป็นที่เชิดหน้าชูตาเขาต้องสร้างให้มียอดมีจอมมีที่ต่ําที่สูงลดหลั่นกันลงมาหมู่คณะก็เหมือนกันในหมู่หนึ่งคณะหนึ่งก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นยอดเป็นจอมของหมู่คณะ ประเทศก็มีพระมาหากษัตริย์วัดก็มีสมภารถึงในสำนักงานองค์การต่างๆก็มีหัวหน้าและผู้ใหญ่ผู้น้อยลดหลั่นกันลงมาทีนี้คนประสาทาที่เรากำลังพูดถึงนี้เป็นคนประเภทไม่อยากให้หมู่คณะมียอดมีจอมชอบตีเสมอกระทบไหลยทุกคนเลยกลายเป็นคนประเภทพรานศักดิ์สีของหมู่คณะ ร้ายยิ่งกว่านั้นเมื่อตัวขยิงเท้าขึ้นเทียมท่านไม่ได้ก็ดึงเอาผู้ใหญ่ลงมาด่าว่าลบหลู่ดูมินตีราคาของท่านให้ลดลงมาเสมอกับตนผลที่สุดก็ยุ่งเหยิงไม่เป็นท่าไม่ต้องพูดถึงบ้านเมืองหรือหมู่คณะขนาดใหญ่คิดดูแต่ในครอบครัวของเราเองก็ได้ถ้าลูกเต้าตีเสมอกับพ่อแม่ เก่งหัวเล่นไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วอะไรเล่าจะอยู่เป็นสง่าราศีของครอบครัวนั้นตอนกำจัดประลาศัประลาศเป็นเรื่องของความมืดคือมืดในใจเลยไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเหมือนหมาไม่เคยเห็นเสือก็เลยเหมาเอาว่าเสือกับหมาก็พอๆกัน ถ้ามันเห็นเสือเสียจแล้วหรือถูกเสือหยอกล้อสักนเดียวมันก็เลิกตีเสมอกับเสือเองคนมีปลาสาก็เหมือนกันจะแก้ก็ต้องแก้ด้วยอบรมปัญญาทำให้ใจหายมือเสียให้เกิดคุณธรรมข้ออัตัญุตาคือความรู้จักตัวเองอ่านตัวเองให้รู้ตามเป็นจริงแล้วปลาศาก็จะเบาบางลงมาก ถ้าได้รับรู้เรื่องของท่านผู้อื่นตามเป็นจริงอีกทางหนึ่งอีกด้วยประสาสก็จะอยู่ไม่ได้เลย